เรื่องผ้าบังสุกุลข้อ44สมัยนั้นผ้าบังสุกุลเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์ได้ทรงดำริดังนี้ว่าเราจะพึงสักผ้าบังสุกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นเท้าสกัดจอมเทพทรงทราบ พ, พระดำริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระไทยจึงทรงใช้ฝ่าพระหัตถ์ขุดสะโบกกรณีแล้วทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงซักผ้าบังสุกุลในสานิเธอดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดําริดังนี้ว่าเราจะพึงขยำผ้าบังสุกุลที่ไหนหนอลำดับนั้นเท้าสักกาจอมเทพทรงทราบพระดําริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยพระไทยจึงทรงยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางไว้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดทรงขยำผ้าบังสุกุลบนศิลานี้เถิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดําริดังนี้ว่าเราจะพึงพาดผ้าบังสุกุลไว้ที่ไหนหนอลลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มทราบพระดําริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจจึงได้น้อมกิ่งกลุ่มลงมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 ขอพระองค์โปรดทรงพึงผ้าบังสุกุลไว้บนศิลานี้เถิดครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวละกัตสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระมหาสมณะได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วข้าแต่พระมหาสมณะเมื่อก่อนสับบกคาราณนี้ไม่มีที่ตรงนี้ ทำไมที่ตรงนี้จึงมีสะโบคกรณีอยู่เมื่อก่อนศิลาเหล่านี้ไม่มีวางอยู่ศิลาแหเหล่านี้ใครยกมาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกุ้มต้นนี้ไม่น้อมลงเดี๋ยวนี้กิ่งกุ้มต้นนี้กลับน้อมลง